ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุลสนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลสนันธาบวชให้สหชีวินีแล้วไม่พาหลีกไปทั้งไม่ให้ผู้อื่นพาหลีกไปในสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเป็นธุระนิกเขปะสมุดฐานละคับพินีวัตรที่เจ็ดจบ